สมานัตตจาริกวัตตะว่าด้วยวัดของภิกษุผู้ประพฤติมานัตสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ประพฤติมานัตยินดีการที่ปกตศตักภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับประนมมือทำสามีจิกรรมนําอาสนะมาให้ นำที่นอนมาให้นำน้ำล้างเท้าตั้งต่างรองเท้าตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าการรับบาดและจีวรการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษและตําหนิประนามโพนทนาว่าชะไหนพวกภิกษุผู้ประพฤติมานัดยินดีการที่ปกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับ